พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าบวชมาเพื่อศึกษาขออย่าได้ลืมตัว วันนี้เป็นวันที่สิบห้ากุมภาพันพธ์ราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อเช้าก็มีคณะทายาิโจมมาทำบุญวันเป็นเพราะเพราะเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้น แล้วก็เย็ยนวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันทําวัดไหว้พระสวดมนต์วันนี้หลวงพ่อได้ลงมาร่วมด้วยเพราะว่าหลวงพ่อจะได้ทําความเข้าใจเพราะวันพระหน้าเนี่ยเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งทั้งในวัดของเราก็เคยประกอบพิธีทําพระทักศิณ กล่าวคำถวายเครื่องศักกิ์สในวันมาฆบูชาแล้วพร้อมกันแต่สามปีสองสามปีมาแล้วเป็นปีที่สามเราก็ได้มาร่วมกันทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณตอนเช้าของวันที่ยี่สิบแต่ตอนเย็นของวันตอนเย็นของวันที่21 พวกเราก็คงจะทำพิธีไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่ศาลานอกจเจริญพระพุทธมนต์หลวงพ่อก็จะได้กล่าวเรื่องราวความเป็นมาตอนรับขับสู่พี่น้องคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานมาจากจารุระเทศให้ได้รับรู้รับทราบมีเจตนาจำงอะไรที่พวกเรามาทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ พวกท่านท่าหลายเหล่านั้นก็จะได้ยินถทวนหน้ากันจะได้ตั้งอกตั้งใจจะได้พร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลอย่างไงตั้งใจยังไงที่พวกเราจะอุทิศส่วนกุศลหลวงพ่อจะทําความเข้าใจกับทศชายาจโยมพี่น้องลูกหลานในคืนวันที่21่สบแล้วก็วันที่22เชา้าพวกเราก็ได้ร่วมกันถวายแผดพันธ์พระสงฆ์ แล้วก็ถวาตเจตุปัจจัยไทรยธรรมกับพระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ก็หลวงพ่อก็จะได้กล่าวอะไรบ้างเป็นการทบทวนหรือว่าเป็นการย้ำอีกผู้มาพ่อผู้ผู้มาตอนเช้าก็มีที่ไม่ได้มาตอนเย็นหลวงพ่อก็จะได้กล่าวต้อนรับกับพี่น้องจตหาญาติโยมลูกหลาน อีกรอบอีกรอบหนึ่งตอนเช้า่างนั้นก็พระสงก็อนุมโมทนาให้พรพวกเรากระรับทานอาหารตามมัะยาใสนั้นก็คงจะจบแต่ในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อกไม่ได้ย้ำเตือนมีแต่บอกกล่าวพระให้ช่วยกันดูแลแทางในครัวก็คงจะเคยมาแล้วทั้งกะทินทั้ง วันเกิดของหลวงพ่อหรือวันอะไรต่อไม่อะไรหรือวันธรรมดาก็มีมากอยู่แล้วหลวงพ่อก็มาได้ย้ำเตือนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเคยทํามาอย่างไรก็ข อ, ขอให้ช่วยช่วยกันประกาศหาคนเข้ามาช่วยหาแนวร่วมเขามาช่วยล้างถ้วยล้างชามตอนรับขับสู่ตรงเรียนต่างๆเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยเราได้ หน่วยงานต่างๆพอที่จะมาจุดไหนที่จะมามาช่วยเราก็ให้พวกเราคิดโดดะจะให้น้องพ่อพูดให้ใช้หัวทุกวีทุกวันทุกเดือนทุกปีก็ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันและให้พวกเราท่านทั้งหลายช่วยๆการคิดวางแผนในการทำ พอมอบให้พวกเราท่านทั้งหลายช่วยกันคิดหลวงพ่อมีแต่แนะนําบอกกล่าวต้องทํำทางนี้เนาะจากนั้นกับพวกเรากันนการวางแผนเราจะเอาอยัางไงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านแต่ฝ่ายพระก็เหมือนกันให้ช่วยช่วยกันดูกุฏิเสนาชนะที่พักผาอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำงนํำเรื่องน้ําเรื่องไฟไฟก็ตรวจตราดู อุปกรณ์การไฟก็ดูให้ดีเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญทุกถังให้เต็มอย่าให้ขาดตกบกพร่องใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้รับผิดชอบน้ำไปสายไหนไปสายไหนปิดเปิดอย่างไรให้บอกกล่าวกันให้รู้เรื่องมีใช่ว่าองค์หนึ่งไปปิดองค์หนึ่งไปเปิดแบบไม่รับผิดชอบมัวมัมเมียเมียนหลวงพ่อรับไม่ได้นะ พระองค์นั้นไม่ใช่ผู้เข้ามาศึกษาถ้าผู้เข้ามาศึกษากับหลวงพ่อต้องรับผิดชอบพอหลวงพ่อนะอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมอบหมายเสียงใดหัวเด็ดตีนขาดเราต้องดูให้อย่าให้ขาดตัวปกพ่องในจุดนั้นต้องดูให้ดีอย่าให้มีปัญหาไม่ใช่ว่า ท่านมอบใพ้แล้วกันนะทำท่าขมังขมอรับผิด ช, ชอบเหมือนกะลิงเล่นละคร อ, อย่างนั้นอนะ่ะแง่เงอะงะสอ ง, ส, องสามทีแล้วกันนะลอยลงไปเรื่อยวันชูนนะ่ะไปติดหมู่ติดเพื่อนคุยกันนะลืมการลืมงานของตนเองมันมีนะพระในวัดของเรานะเคยเห็นมาแล้วอย่าให้มีอีกลักษณะอย่างนั้น ถาขาดตกบกพ้องในจุดไหนน <women> ั่นอะหลวงพ่อจะเวลาเอาเข้าการเข้างานแล้วอย่ามาขาดตกปกพ้องต่อหน้าเนอะจะใช้ไม่ได้เลยควรจะพิจารณาตัวอย่าให้หลวงพ่อได้ไล่ถ้าหลวงพ่อไล่มันหือไล่วัวไล่ควายไล่หมูไล่หมาเอตัวเองต้องพิจารณาตัวเองเลยอย่าให้หลวงพ่อได้ไล่เออขาดไม่ไหวละค่าทําอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ละ เออต้องพิจารณาตัวเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาศึกษานะมาอยู่กับหลวงพ่อมาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลวงพ่อจะพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายจนไม่มีกำมือจนในอาจารย์สิ่งไหนที่หลวงพ่อได้มารู้มาเห็นมาหลวงพ่อก็จะแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราให้นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของของตนแล้วก็ให้เป็น เมื่อต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปการวางแผนงานทำยังไงมองเห็นอะไรไม่ใช่มองเห็นแล้วกระจกไม่ใช่มองเห็นว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงในเรื่องนี้แหไม่ช่าไปเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยไม่คิดไม่อ่านาแสดงว่าไม่มีการวางแผนเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระอย่างนั้นพระองค์นั้น บอกให้ทําเหมือนกับบอกให้เด็กทําทําแล้วก็ทําแล้วก็จบตรงนั้นแหละที่จะให้งอกเงยต่อไปภายภาคหน้าเป็นแนวความคิดไม่มีการวางแผนต่อไปภายภาคหนา้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อในต้องการผู้มีสติปัญญาวางแผนการเป็นอยู่ของเราควรจะปฏิบัติอย่างไรสิ่งไหนที่รู้แล้วอย่าให้ได้บอกอีกเพราะรู้แล้ว ทำไมจึงมาพูดอีกไม่ใช่เด็กถ้าเด็กอมนิ้วอีกอย่างหนึ่งบอกแล้วบอกอีกอันนี้เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วรู้แล้วขี้เกียจใช่ไหมไม่อยากทําใช่ไหมอยู่ทําไมอยู่ทาไมอยู่ก็ต้องได้ทําอยู่ทําไมมันอดที่อยู่ใช่ไหมเสียงเหล่านี้ให้ถามตนเองทั้งหมดเพราะนั้นหวงพ่อนี่สอนอยากจะสอนผู้ที่หัวก้าวหน้า ที่ผู้ที่อยากมีความพยายามเป็นพระที่ดีศึกษาที่ดีถ้าพวกท่านศึกษาดีแล้วะพวกท่านอย่าไปคิดว่าอยู่กับครูบาอาจารย์หลายปีจะล้าหลังมียิ่งมีคุณภาพมีสิ่งยิ่งมีศั ก, กยภาพเห็นไหมหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาเท่าไหร่สิบกว่าปี าหาว่าไม่มีอุปสรรคหลวงพ่อก็คงจะอยู่อันนี้คือพระหนาแน่นเข้าไปเรื่อยๆจนหาที่อยู่จะไม่ได้เราก็เอเอน้ําเก่าน้ําใหม่ไหลเข้าน้ําเก่าต้องไหลออกอพอเราอยู่นานแล้วแต่ถึงยังไงเราก็ยังเข้าไปมาหาสู่ในองค์หลวงตาท่านก็ยังมาเมตตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละ เ, เราไม่ได้ห่างเหินครูบาอาจารย์ ออกมาก็ได้ความรักเคารพในครูบาอาจารย์ท่านก็ยังให้ความเมตตาไม่ใช่วแบบ่าอยู่กับท่านแล้วก็ตัดทางปล่อยจนออกมาแล้วออกใบคนละทิศละทางไม่ปฏิบัติตามแนวแถวของท่านท่านเข้ามาแล้วกันยอมรับดันยังเมตตาเพราะเป็นแนวแถวที่ท่านพาดําเนินมาท่านก็มาดูมาแลท่านก็ให้การ เมตตาสนับสนุนทางด้านวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นวันนี้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะมาอยู่กับผมผมก็ใช้แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์นั่นแหะแนะนําสั่งสอนท่าอย่างว่าถ้าจะว่าไปแล้วไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งขององค์ท่านอีกต่างหากพระ อ, องค์ท่านองค์หลวงตาเนี่ยท่านเข้มงวดกวดขันมากเรื่องพระเอมีแต่พูดอะไรมีแต่เด็ด เด็ดขาดแล้วก็พร้อมการก็ให้เรื่องจิตตภาวนาท่านก่อนเน้นเอกต่างหากถือว่าเรื่องภาวนาเป็นหัวใจในการเป็นอยู่อันนั้นคือสิ่งภายนอกถึงจะไม่ขาดตกปกพ้่องก็จริงแต่เรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญเดินยังกรมทางเดินยังกรมเดินยงกรมนั่งภาวนาอย่าให้ขาดตกปกพ้่อง ในการประพฤติปฏิบัติอันนั้นคือหัวใจแต่พวกเราท่านทั้งหลายดูบางองค์ขี้เกียจกระทั่งปัดกุฏิปัดกวาดกระทั่งกุฏิรกจริ่งกวอะไรอีกเมื่อจิตใจเมื่อที่อยู่รกโครงรังจิตใจก็เศร้าหมองเพราะมันขี้เกียจมาจากใจแล้วจะจิตใจจะเจริญรุง่งเรืองงอกงามไปได้อย่างไร พอดูดูแล้วมันเศร้ามองเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเท่าปวงเหล่านี้นะ่ะมันเป็นตัวอย่างมันเป็นแบบอย่างที่ดีของพระต่อไปภายภาคหน้า ค, คือมองการกับมองในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์นะ่ะนที่มีแววมีสติปัญญาอย่างไรจะก้าวไกลอ ย, ย่างไงการ พัฒนาตนเองรับผิดชอบในวัดวาศาสานาครูบาอาจารย์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะ่ะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะให้ตรวจตราดูตนเองให้เข้มแข็งสรุปแล้วเราเป็นพระเป็นพระกรรมฐานศึกษาเรื่องศีลและวินยัยอย่าให้ขาดตกบกพร่องหนังสือก็ต้องอา่านเรื่องวินยัย เราจะให้ขาดตกบกพ่องเรื่องวินัยสําคัญถ้าอ่านก็อ่านนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่านพออ่านหนังสือหลายหลายเล่มมาแล้วพระไตรปิฎกหลายอ่านลายชดมาแล้วอรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มาอ่านนะพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนของมาจากวนะัดประวันเล่มนาฬสหลวงพ่ออ่านเอออนี้คล้ายๆกับวา่าเราได้อ่านเล่มอื่นแล้วนะ่ะ เราอ่านได้เข้าใจเลยเพราะอะไรเพอแล้วเราได้อ่านเต็มอื่นๆมาพออ่านเล่มนี้ขึ้นมานเราเข้าใจคล้ายๆแบบเป็นการทบทวนในเรื่องที่เราเคยอ่านเคยจํามาแล้วนั้นเข้าใจเลยเนี่ยพอท่านอ่านเล่มเดียวนี่พอขณะนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะพยายามอ่านศึกษาไปเรื่อยๆช่วงนั้นมันว่างโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งื่องพิณัย เรื่องราเรื่องแนวความคิดเรื่องสาวกสาว ก, กับประวัติที่พระพุทธเจ้าเทศนาว่าการให้พระสาวกองคไหนอสาวิกาองคไหนเหล่านี้เป็นตน้นอันนี้เราก็ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าจะได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อพูดตอนเช้าแล้วก็จบไม่ใช่อันนี้มันแคบเกินไปมันไม่กว้างแต่นี่คือสวนเนืองหลวงพ่อพยายาม เอาแนวความคิดมาให้กับพวกเราแต่พวกเราฟังๆด้ดยแล้วอาจจะเชื่อไม่เชื่ออีกต่างหากทีนี้เพราะถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราได้ยินในพระไตรปิฎกหรือว่าได้อ่านได้ศึกษามาหลวงพ่อสาธกขึ้นมาเออชายหลวงพ่อพูดเองเอาจุดนั้นมาพูดแต่พูดไม่มดพูดได้น้อยนึงเพราะไม่มีเวลาหลวงพ่อพวกเราก็ได้ยางรู้ได้ว่าหลวงพ่อเน้นจุดไหนที่เอามาพูดเนี่ย สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้ศึกษาได้อ่านมาแล้วเราจะรู้ได้เป็นการทบทวนในจิตใจในความรู้ความจำของพวกเราอีกต่างหากเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือพระเก่าแนะนาพระเก่าพระที่มีอายุพัณษาอย่าปล่อยป่ะละเลยในการศึกษาเรียนรู้พอเราอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่าให้ล้าหลังให้คขาว่านี่แนวความคิดถามใครถามมายัางไง ตอบได้เปรียบเทียบได้เอาชาดกนิทานเอาเรื่องพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบให้ฟังได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ตรัสอย่างนี้อันนี้คือพระคาถาาภาษาวกองนั้นพอเราได้เรียนได้ศึกษามาแล้วเราก็พร้อมที่จะนำมาชี้แจงให้ผู้ที่เขามาถามไถ่กับเราอันนี้ก็คือให้พวกเราให้ศึกษา แต่บางค้างเขาก็ถามเรื่องพระบาลีแปลยังไงเออนั้นอย่าถามถ้าอยากจะถามพระบาลีนู่นต้องไปค้นตํารามาพูดกันมันมีอยู่จับนี้แต่เราไม่เรียนบาลีแปลบาลีเราไม่ได้เรียนเราเรียนแต่ว่าเนื้อหาสาระพระธรรมคาสอนของพุธธทธทำคำคําสองทำคําสอนของสาวกสาวิกา ทำตังสอนของอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตนอย่างไรเราเรียนมาเราศึกษามาตามแนวแถวพระสูตรก็บอกพระสูตรพระอภิธรรมพระประมาทิติปรมัต ธ, ธรรมน่งคือแนวความคิดเราต้องแยกให้ออกอีกบางคนจะเอาพระประ ม, ามาติพระสูตรพระสูตร พระปรมาติพระวินัยไม่ได้มันคนละเรื่องกันอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะะปฏิบัติบูชาอาหมิชบูชาเราจะเน้นเติมปฏิบัติบูชาอย่างเดียวใช่ถูกต้องแต่ตามมันก็ต้องมีอามิชบูชาด้วยใครๆก็ต้องการแก่นไม้ใครเอาไม้แก่นเอาแก่นไม้มาปลูกเลยมีไหมไม่มีหรอกเขาก็ต้องปลูกขึ้นมาให้เป็นต้นซะก่อนจากนั้นก็เปลือกกระพี้ถึงจะไม่ต้องการแหม แต่มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันถ้าไม่มีเปลือกกระพีก่อนมันจะเป็นแก่นได้อย่างไรใครๆก็ต้องการแก่นนั่นแหละปลูกไม้ต้องการแก่นอย่างปลูกไม้ตะเคียนทองปดูมะขามเราไม่ต้องการดอกต้องการใบมันต้องการผลมันเราต้องการแก่นแต่เราต้องปลูกมะม่วงเราต้องการอะไรต้องการผลปลูกงอปลูกทุเรียนต้องการผลของมันเราไม่ต้องการแก่น สิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันแต่ถึงยังไงในหลกักธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธะเนี่ยอามิทชูบูชาปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชาเลิศประเสริฐกว่าอันนี้ก็ถูกต้องไม่ถกไม่เถียงจกบูชาถูกต้องที่สุดแต่ว่าจะมีแต่ปฏิบัติบูบชาอย่างเดียวไม่มีอมิทชบูชาได้ไหม สมมติว่าต่างคนต่างนั่งภาวนามาอยู่ในวัดของเราไม่ต้องทําอยู่ทํากินแหละแต่ต่างองค์ต่างอยู่การขยับการเคลื่อนไหวนะั่นคืออามิตชบูชาให้ดูแต่ใจตัวเองทุกคนเราจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้พ้องต้องมีอมิตชบูชาคือการดูแลบำรุงทําอาหารเลี้ยงปัจจุปปัจจัยทั้งหลายทั้งปวง เรียว่าอามิทชบูชามันต้องไปด้วยกันวันนั้นอามิทชููชาปฏิบัติปูชาแต่อันไหนเลิศปฏิบัติปูชาเลิศกว่ายอมอมบอกกล่าวได้อย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งไหนก็าตามที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์อดูแล้วเออันไหนเลิศประเสริฐอันไหนดีที่สุดอันไหนเหมาะสม อันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นธรรมเราจะสุดตรงตัวใดตัวหนึ่งหัวชนฝาไม่ยอมรับฟังคำใครเฉลยอันนั้นไม่ถูกต้องน ะ, ะเราต้องฟังเหตุฟังผลฟังเรื่องราวทั้งพระพิณนยเป็นยังไงพระสูตรเป็นยังไงพระประมาตธรรมเป็นยังไงมันมีหลายระดับเราจะเอาอย่างเดียวจะทาอะไรก็ได้ถ้ารู้ทำแล้ว จะทำผิดพินัยอันไหนก็ได้พอทำจิตใจเป็นธรรมแล้วจะทำอย่างนั้นได้ยังไงขนาดพิดนยัยหยาบๆไปยังผิดแล้วจะรู้ทำได้ยังไงเอาทำมาวัดกันทำนั้นคืออะไรเราอะไรมาวัดทำเอาอะไรมาวัดมาวัดทำนั้นขนาดพิดนัยอยู่ด้วยกันยังไม่เคารพกัน ยังไม่มีศีลอีกต่างหากไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกต่างหากแล้วจะเอาทำ ม, มาข่มกันอย่างนั้นเหรออะไรคือทำขนาดฟินรายก็ยังขาดอยู่แล้วจะเป็นอวบทุกกฎอยู่แล้วจะเอาทำที่ไหนมานี่แหละอันนี้มันพูดมันพูดได้แต่พูดแบบไม่รู้ไม่รู้พูดแบบโง่โง่ไงมันต้องพูดเรื่องพระวิ น, นัยการเป็นอยู่ด้วยกัน ถึงจะเป็นพระหรหันต์ก็เถอะพระที่บวชก่อนที่มีอายุพรรษาท่านเป็นผู้มีศีลท่านท่านยังไม่ได้สาเร็จเราก็กราบท่านได้เพราะท่านมีอาวุโสแต่ถึงจะอาวุโสก็จริงแต่ท่านองค์นี้เป็นพระหรหันต์ท่านก็ให้ความเคารพอีกอย่างหนึ่งแต่ท่านก็ไม่ยอมกราบยอมไหว้เพียงแต่แสดงความเคารพว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ตอนนั้นแหละแต่จะให้พระอวุโสไปกลับพระหรหันต์ที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าไม่มีในพระวินยัยไม่อนุญาตอีกต่างหากถ้าทํำก็ไปก็ปรับอวบทุกกฎอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะี่คือวินัยทั้งหมดการอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยวินยัยต้องอยู่ด้วยศินศินและวินยัยถ้ามีศินและวินยัยยังอยู่ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น รมและวินัยนั่นแหละจะเป็นสาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะอันนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงให้พวกเราฟังให้ศึกษานะนการอยู่ด้วยกันนะถ้าว่าใครก็าตามนะถ้าหลวงพ่อกลับขึ้นมาแล้วมีปัญหานะ่หลวงพ่อจะไม่จัดว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะห mm hmm. ลวงพ่อจะไล่ออกจากวัดนะพอใไรเข้ามาศึกษาแล้วมีเรื่องนะมาหาเรื่องใช่ไหม มาเพื่ออะไรถ้ามาศึกษาลุงพ่อสอนอย่างนั้นใช่ไหมลุงพ่อไม่ได้สอนให้ทะเลาะวิวาทกันสอนให้มีความรักเคารพเมตตากันช่วยงานกันมีผู้ใหญ่มีผู้น้อยการอยู่ด้วยกันขาดเหลือขาดตกอะไรการอยู่ด้วยกันปฏิบัติขาดมีอะไรปัญหาอะไรเอาบอกให้การอยู่ด้วยกันให้เคารพกันผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน เป็นผู้ใหญ่จะไปวางกล้ามวางอำนาจครูเข็นเขาไม่มีหลักมีไม่มีเหตุผลก็ไม่น่าจะถูกผู้น้อยก็เหมือนกันเมื่อผู้ใหญ่แนะนำบอกกล่าวถึงจะบอกกล่าวด้วยความกระโชคหกหากสักหน่อยเราก็ยอมรับได้เพราะเขาเขามีอายุพันษาเราก็ต้องยอมฟังเพราะเขามีอายุพันามากกว่า แต่ทึ้งยังไงกนให้เคารพกันให้นึกในใจว่าับเราเป็นพระมีอายุพัรษาเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนี้วะพวกเขาพูดให้เราอย่างนี้เรารู้สึกไม่สบายใจวะบางทีไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอตัวมีอายุพันษาขึ้นมายิ่งก็โชคโอกห้างให้กับพระรุ่นน้องอีกต่างหากมันเคยมีอีกอย่างนั้นเกันแต่เมื่อสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มไม่ชอบใจไม่พอใจสาหรับ พระรุ่นพี่เขาว่าให้แต่ตัวเองเป็นพระอายุพรรษาขึ้นมาแล้วนะยิ่งร้ายกว่านั้นอีกใช้ไม่ได้อย่างนั้นเพราะทัานเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงเนี่นะหลวงพ่อของพ่อย้ํากล่าวเตือนนะพวกเราท่านทั้งหลายนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะหลวงพ่อไม่อยู่นะอหลวงพ่อเป็นห่วงนะถึงจะไปออกนอกวัดไปก็จริงแต่หลวงพ่อยังเป็นห่วงพระลูกพระหลาน มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรหลวงพ่อก็ได้สั่งเสียไว้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงให้ปฏิบัติอย่างไรแ้จะตุปปัจจัยขาดเหลือขาดตกอะไรให้ดำเนินการอย่างนี้อย่างนั้นนะพ่อสั่งไว้หมดพ่อเป็นห่วงเรื่องวัดพงพ่อกลับมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการจํจานวนที่ขาดตกบกพร่องนั้นไม่ว่าในครัวไม่ว่าที่ไหนให้หยิบจืมให้ใช้ไปก่อนก็ได้ถ้ามันไม่พอ แต่หลวงพ่อกลับมาแล้วค่อยรายงานหลวงพ่อหลวงพ่อจะนะจะรับผิดชอบตามที่พวกท่านทั้งหลายเห็นสมควรจะก่อนปรึกษากันก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปเห็นไม่ใช่ว่าคิดได้คิดทาโดยพราการแต่จะให้หลวงพ่อรับหอลวงพ่อมาหรก็หลงพ่อจอึงเฉ่งองนั้นเีงนะเผือ เ, เพียงไล่ออกจากวัดอีกต่างหากนะถ้าว่าไม่ฟังคาใครทาอะไรเกินขอบเขต มันต้องอยู่ในกรอบถ้าผู้ใดเข้ามาศึกษากับหลวงพ่อแล้วนั่นรู้จักประมาณตนอย่าลืมตัวเราเป็นพระการที่จะใช้สิ่งไหนก็ตามในเมื่อมันมีเราก็ใช้ตามที่มันมีถ้ามันไม่มีเราก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายอะไรทุกอย่างเพราะชีวิตพระชีวิตนักพจนักบวชจะไปใช้แบบฟุ่มเฟือย ฟ, ฟุ่มเฟือย ลืมตัวได้อย่างไรเราไม่ใช่อาเสียเศษฐีที่ไหนรู้จักไหมกรรมพืชของตัวเองมาอย่างไรกรรมพืชของเราเป็นยังไงในเมื่อเราเป็นฆราวาสเคยใช้มาอย่างนี้แต่มาเรามาเป็นพระเราทำไมจึงลืมตัวเข้ามาอยู่เป็นเพศนี้ทําไมจึงรวมถมาอยู่ในวัดทําไมลืมตัวถ้าเป็นฆราวาสเราก็้าใช้ไหมของอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงให้มองตนเองอย่าลืมตัวสรุปแล้วหลวงพ่อนั้นไม่พา ลูกน้องบริวาร ล, ลืมตัวนะเอมองตนมองตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีมากก็มองตัวควรจะใช้อย่างไงถ้ามันเกินอที่จะใช้แล้วโนอวัดวา ศ, าศาสนาอื่นเขามีเพราะจะตุปัจจัยที่ได้มาไม่ใช่ของเราเป็นจตุปัจจัยของปัจจัยสีของพระพุทธาศาสนาเวลาหลวงพอนั่งเวลาเขามาทมําบุญทานจบแล้วจบปีกตั้งจิตที่ฐานเอ มาหลายคนลูกๆ ล, ล้านๆยื่นซองให้ทุกคนต้องจบซะก่อนเขามาจึงมาถวายหลวงพออ่อแล้วจะว่าเป็นปัจจัยเราได้ยังไงเป็นปัจจัยของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยเขาหวาถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่แล้วก็มามอบให้เราใช้เราต้องคิดซะก่อนว่าเราจะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่มันจะเป็นโทษคิดจะไปใช้ทาไม ใช้อุยชุยแฉกมันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราต้องรอบครอบในการใช้จิตุปัจจัยนั้นถ้าเป็นปัจจัยของเราเราจะกล้าใช้ไหมอย่างนี้แต่ขนาดทำบุญนิดหน่อยเราก็ยังกระตุกแล้วก็ะตุกอีกเวลาปัจจัยของเขาใช้มาเนี่ยใช้แบบไม่คิดไม่อ่านได้อย่างไรเสียงเหล่านี้นะให้พวกเรานะเป็นพระนะไปอยู่นสถานที่ใดนะต้องคิดนะเนหลวงพ่อเคยเห็นเวลาเขาเอาเครื่องอะไรมาถวาย แต่ทำท่าดูถูกเขาลุงพ่อเห็นแล้วโอ้ยอยากจะอาเจียนเหมือนกันเะอากับกิริยาของพระอในเมื่อเขาเอาให้ของดีเราก็ยินดีรับของดีถ้าเมื่อเอาเอาเขาเอาให้ของไม่ดีเราก็รับได้รับได้ทั้งหมดเมื่อเขาเอามาให้แล้วอคุดคิดดูซิตัวเองเลยสมัยเป็นฆราวาสเคยทํำไหมอย่างนี้อย่างที่เขาถวายเยเคยทํำไหม ไม่เคยเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะทำในเมื่อเขาทำให้แล้วเนี่ยเขามาให้แล้วเนี่ยทำไมจำท่าไปดูถูกเขาแสดงว่าลืมตัวโง่ามากหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เลยพระองค์นี่โง่ามากต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระอย่างนี้ไปที่ไหนกันน่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับขอดะไปหมดตั้งที่ตัวเองไม่ไม่มีเงินกิชักชวนคนอื่นมาทาบุญ อบีบลาทาเล่นคนอื่นเดือดร้อนไปหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าของลืมตัวว่าเจ้าของเป็นพระคิดดูซิสมัยเมื่อเราเป็นครว่าต์พ่อแม่ของเราเป็นยังไงตระกูลของเราเป็นยังไงอหลวงพ่อไม่เคยลืมตัวนะตระกูลของพ่อแม่ของหลวงพ่อนะไม่เคยอดเรื่องอาหารการบริโภคเรื่องข้าวนะมีมีอยู่มีกินแต่เรื่องเงินโอ้ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเลย เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเข้ามาบวชหลวงพ่อจึงมองดูรอบด่านรอบคิดแต่ให้หลวงพ่อขี้เหนียวไมหมหลวงพ่อไม่เคยถ้ามีความจําเป็นมาเอาให้วัดไหนสร้างท่าลาบางังถ้าไปอยู่ผู้มาอยู่ใกล้หลวงพ่อน่ยจะรู้ได้หลวงพ่อให้ถ้าจะเปรียบเทียบกับองค์อื่นแล้วหลวงพ่อนี่ยก็ว่าจะเหนือกว่าองค์อื่นอยู่ในการเสียสละมอบจะถูก ป, ปัจจัยให้ลูกน้องบริวารหรือคณะสัตยาญาติโยม หรือสงเคราะชุมชนสังคมประเทศชาติพอจะให้ให้แต่ว่าสำหรับตัวเองไม่รู้จะใช้อะไรขี้เหนียวสาหรับตนเองนะหลวงพอ่อเนี่ยนะเพราะเจวรนกับพี่มบงก็มียาก็มีทั้งเยอะแยะมีใครถวายต่อถวายพอได้ยินว่าเขาาเป็นวัดท่านคนนั้นก็ส่งมาคนนี้นก็ส่งมาอย่างวันนี้ก็ส่งนะ ออย่างยาม้วนปากบอกมาด้วยเลยนะีย่ยาม้วนปากนี่ดีนะบางทีท่านอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่ก็ได้พราะฉนอม้วนปากดิชันนี่พอม้วนปากละหายเป็นวัดเลยทั้งที่เป็นวัดมาเป็นเดือนนี่แหละใข้ไขก็ได้ยินแล้วกนั้นหลวงพ่อเนี่ปากไปไอดังมากันพอไอตอนเช้าเนี่ยเป็นดังไปทุน่นไปถึงอังกฤษอเมริกา ไอไปไกลเพราะงั้นพอท่้นเขาได้ยินเขาก็เฮ้หลวงพ่อนี่เป็นบัตรเป็นไอเขาก็ส่งยามาให้นะปัจจัยของหลวงพ่อไม่รู้จะใช้อะไรเทนาไเอ่มีแต่ช่วยเหลือบำรุงพระพุทธศาสนาเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงเรียนสาธารณประโยชน์วัดวาทศาสนาวัดไหนขาดตกปกพ่องที่จะช่วยเหลือได้อ้าวก็ช่วยเหลือไปเพราะเป็นเงินพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เงินผู้หนึ่งผู้ใดเออเป็นเงินของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนที่เขาจะทําบุญเขายกใส่จบแล้วจบอีกเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วจะวางเงินเราได้ยังไงเมื่อได้มาแล้วก่อนนั้น่ะเราก็ต้องคิดดูโอ้อันไหนจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะอย่างที่หลวงพ่อเล่าเป็นชาดกให้ฟังนํามาในชาดกในพระไตรปิฎกนะ พระราชาเมืองหนึ่งท่านก็มีโปรหิตอาจา์คู่ใจเป็นผู้แนะนาพระราชาพระราชาเนี่ยยอมรับอาจารย์เป็นผู้แนะนำสองสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ควรเดินควรจะเดินยังไงควรจะเดินประเทศชาติยังไงไปยังไงโปรหิตราจานท่านเนี่เฉลียวฉลาดมากแต่ว่าเป็นประดพระราชาก็ยอมรับอาจารย์ของตนเอง ท่านั้นก็เอออาจารย์เราปกครองประเทศชาตินี่นก็อยู่ในเมืองเขาก็ว่าเราปกครองปกครองเป็นธรรมอยู่แต่ในชนนบทจะมีอะไรไหมหรือใครจะไปบีบลาทาเลนพี่น้นองประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนมีไหมเราควรจะไปปลอมตัวไปตรวจสอบดูสิในชนนบท ห่างไกลจากตัวเมืองปจะเป็นยังไงสามาัยนั้นมันก็ไม่มีรถยนต์เหมือนทุกวันนี่มีแต่รถมา้าปราชากัดกับโปรหิตตาจารย์คู่ใจก็ไปด้วยกันกับมหาดเล็กพอไปในชนบทกับปอมแปลงเป็นเหมือนกับพ่อค้า ท, ทั่วไปนั่นแหละไม่ได้ใส่ชุดปราชาอะไรตอนนี้ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนกลุ่มหนึ่งเขาเคยเห็นพระราชาเขามัเคยมาในเมืองเห็นโอ้พระราช า, เ, าเสด็จมาบ้านเราแล้วเนี่ยช่างเหยียบนาประยาเหยีย บ, บ้านพ่องเราเป็นมงคลแล้วนี่เออนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยคนทั้นั้นเฮือห้ากันมาเขาขอเขาก็ถวายพระองค์ยังไม่ได้สวยพระกรยาหารเช้าเนี่ยเอาอาหารมาอย่างดี อาหารเรดลือดรสเหมือนกันบ้านนอกออาหารเรดลือดรสบ้านนอกก็คงจะเป็นอไข่เตาไข่แลนน์มั้งไข่ตะกรวดอร่อยดีเด้อาหารเรดลือดรสมันคงจะของไป ม, มากเขาถวายพระราชาพระราชาเสวยสำหรับคนอื่นเขาก็ให้อย่างอื่นอันนี้ทหารอาหารเรดลดือดรสเขาถวายพระราชา พระราชาได้อาหารมาแล้วอาหารเนื้เลิดลดจริงเราก็มากับปุโรหิตตาจานปุโปรหิตตาจาเ์เนี่ยเหนือเราเหนือกว่าเราเราได้ความรู้ความฉลาดนี่ก็คือโุโรหิตตาจา์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเราจรึง <c oughs> เราจรึงได้ดิบได้ดีแต่ใช่เราเกิดมาในตระกูพลพระราชาก็จริงอยู่ แต่การวางแผนการดำเนินงานหรือว่าการบริหารจัดการทั้งหลายทั้งปวงเรามอบให้อาจารย์เป็นผู้พาดำเนินเอาเถอะเราเห็นว่าอาจารย์กว่าเราท่านก็ยกอาหารนั้นให้ก็บให้กับปรหิตตาจารย์ให้อาจารย์ของท่านอาจารย์ครับผมเห็นว่าอาจารย์เป็นผู้เลิศกว่าผม ดีกว่าไปเสร้อกว่าเป็นอาจารย์ของผมผมขอบูชาอาจารย์ครับทางอาจารย์ก็ได้รับอาหารเห็นโอ้ายอาจารย์ก็มองไปหาอีกมองไปรอบๆไปเห็นลือศีเออลือศีกำลังออกมาบินทบาทอาจารย์เนี่ยก็ยกอาหารอันเร่า ร, ถรถ้อนเดินไปดูดูไปถวายพระลือศีพอถวายพระลือศี พรือีมองเห็นอาหารอีกนโอ้อาหารเลิศรสของปลาหนิดมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไปเห็นพระประเจกพุทธเจ้านั่งอยู่ในละแวกนะั้นอยู่โครนต้นไม้ไกลๆลือศีเนี่ยก็คลานเข้าไปน้อมถวายพระประเจกพุทธเจ้าพอพระปเจกพุทธเจ้าได้รับอาหารเลิศรสนั้นท่านก็มองซ้ายมองขวาไม่มีคนไหน ที่จะเลิศ ก, กว่าเหนือกว่าท่านเพราะท่านเป็นเป็ด เ, เป็นปฏิเจกพุท ธ, ธะได้ตัดรู้เป็นพระหันหมดจดจากกิเลสถ้าว่าเป็นอย่างไข่ท่านก็กระเทาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัวแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายยังอยู่ในเปาะไข่อยู่ยังอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะแต่เราเหนือออกออกเหนือจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้ว ไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าเราที่อยู่ในระแวกนี้พอพระเจ ก, กก็เลยเสวยฉันพระกาหารที่เลือดรดนั้นพอฉันเสร็จแล้วท่านี้ก็นายบ้านที่กลุ่มนายบ้านนี่เอ๊ะทำไมทำไมทาไมพระราชาจึงไม่เสวยอย่างสงสัยเลยเอ๊ะทำไมพระองค์จึงไม่สวยพระกาย า, ารของข้าพระองค์ที่มอบให้พระองค์ พระราชาก็บอกว่าเออเนี่ยเราเห็นว่าอาจารย์ของเราดี่เหนือกว่าเป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราที่เราได้ดีดีเดียเ๋ยวนี่ก็คืออาจารย์เนี่ยโรหิตรอาจารย์เนี่ยที่ท่านให้ความรู้กับเราเพราะนั้นเราจึงถวายอาจารย์บูชาพระคุณของอาจารย์แต่น ไ, ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมท่านจึงไม่ทานอาหารที่พระราชามอบถวายมอบให้ท่านเออ โพลหิตธาจาร์บวะใชถึงเราจะเป็นผู้มีสติปัญญาก็จริงอยู่แต่เราไม่มีศีลศีลของเราเนี่ยยังไม่บริบูรณ์เรามองไม่เห็นมองดูศีลของเรายังขาดตกบกพร่องอยู่เห็นท่านฤาษีเนี่ยผู้ทรงพลดบำเพ็ญพลดทั้งศีลทั้งสมาธิ อ, อท่านกําลังออกมาหาอาหารเหมือนกันข้าพเจ้าคิดว่าฤาษีเนี่ยเหนือกว่าเรา เราจึงมอบให้ท่านท่านฤาษีให้ท่านได้กินให้เป็นประโยชน์เมื่อท่านได้ทานแล้วก็ได้บาเพ็ญพศบาเพ็ญตะปะของท่านเป็นประโยชน์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวคนอีกคนทำบุญกั บ, กบท่านฤาษีก็ได้บุญอีกเพราะนั้นข้าพระเจ้าเห็นว่าฤาษีนี่พระฤาษีเหนือกว่าเราทางด้านคุณธรมธรมศีลธรรมเพราะนั้นเราจึง บูชาคุณธรรมศีลธรรมของท่านแต่เนี่ยเ้าไปถามฤษีอีกท่านลษีทำไมท่านจึงไม่ฉันอาหารที่โปรห uh ิตตาจาร์ที่ท่านมอบ ถ, ถวายท่านลือศีก็บอกว่าข้าพระเจ้ามองไม่เห็นใครอื่นเห็นแต่พระประเจกผู้ใหเจ้านี่แหละพระปเจกนี่แหละผู้ทรงภากาสาวพัดอย่างนี้ล่ะ นักพรอย่างนี้เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีราคาโทสะโมหะเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสแล้วไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าในละแวกนี้ที่เราเห็นเพราะนั้นเราจึงนำอาหารนี้ไปถวายท่านาจากนั้นนายบ้านก็ไปถามพระ พ, พระเจกเอกทำไมพระปเจกพระองค์ท่านจึงเขามาถวายมาเป็นทอ ด, ดๆทำไมพระองค์จึงเสเวย ใฉันอาหารที่ฤาษีถวายท่านพ่ะประเจกบอกว่าเรานั่งอยู่ที่นี่เรามองเห็นในละแวะกนี่ไม่มีใครอื่นที่จะยิ่งกว่าเราเราเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วพวกท่านทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับพวกเราเหมือนกับอยู่ในเปลาะไข่อยู่ในเปลาะไข่อยู่แต่เราก็เทะปลาะไข่ออกแล้วเป็นผู้หมดจดจากกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในใจของเราแล้ว เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีใครเหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นเรามองไม่เห็นใคร เ, เราจึงในไม่รู้จะถวายใครต่ออีกเราเหนือกว่าใครทั้งหมดแล้วเพราะฉนั้นเราจึงได้ฉันอาหารที่ที่เขาถวายมาเป็นทอดๆนี้านายบ้านพอได้ยินดังนั้นโ อ, อ้สรุปแล้วก็คือเนะี่ยการทาบุญ เ, เป็นทอดทอด มันไม่ใช่อยู่จุดใดจุดหนึ่งสุดสูงสุดก็คือผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการเป็นผู้ชำระใจบริสุทธิ์แล้วนั้นเลิศประเสริฐที่สุดนี่แหละอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะขนา้าราชาญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองค์การทำบุญมันมีขั้นตอนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังพระราชาก็ยัง สู่โปรหิตาาหตาจานโปรตาจานกับจสู่ลือศีบําเพ็ญ พ, พลดบาเพ็ญฌานอยู่ในป่าลือศีกย็ยังมองเห็นพระประเจกพุทธเจ้าเหนือกว่านี่แหละาการสร้างบุญสร้างกุศลการทําบุญในพระไตรปิฎกท่านได้พูดได้กล่าวเราก็เห็นด้วยหลวงพ่อนี่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยหลวงพ่อไม่นามาบอกมากล่าวให้ลูกหลานได้ศึกษาหรอกได้ยินแล้วก็แล้วไปเพราะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะ แต่หลวงพ่อเห็นด้วยเออเออเป็นแนวความคิดเป็นแนวปฏิบัติในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องอที่ท่านกระทำมานั้นเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อจะได้นามาบอกให้พาลูกลานสัทธายาโจมได้ฟังตอนนี้ไปนั่งสมาธิจักชั่วระยะหนึ่งอย่างนั้นค่อยแยกย้ายกันกลับ